ให้รับอันนี้เป็นของธรรมดาในเมื่อพร ะ, ะ, ะเจ้าหนึ่งทรงพระราชทานถ้าไม่รับอาจจะเป็นชันหนึ่งก็เดินเรือดินสารภาพเรื่องก็ไมดีนักใช่ไหมเหมือนกับพระพระที่ไม่กินอย่างฉันเนี่ยไม่กินเงินเออแบงกก็ไปกินแต่ปเบเกนยัง ร, รับแต่แบงก์ซื้ อ, อข้าวกิน<ะ> <laughs> ใครจีเยนได้มาอะไรก็ตามถ้าญ า, าติโยมมีศรัทธาไปเชิญมาก็รับถ้าเช่งนั้นไม่ดีิีไหนถ้าอะไรถอจะเดียดยินใหมอทำอะไรใถ้าไม่จ่นนขน า, า, าดราคาแบบไหนก็ตางก็จะไม่รับเพราะนั่นก็คื ย, า, ย า, างก็เหมือนกันใครมีเนินท่านไปเทศ่ย่างประเทศเทอานิเทศ่เกาะมากเที่ยขึ้นต้นบนมากๆก็จะขึ้นจุดหนึ่งปสดาบัก่อน ว่าอารมุโสดาบันเป็นของไม่ยากทัานรักปฏิบัติจอมฐานทั้งหมดถ่าฉลาดนะนี่ฉันว่าฉลาดอ่ไงยังนง